ตอนจาคะด้วยเมตตาการุณมีอีกท่านหนึ่งแท่เปาบิดาของท่านเป็นขุนนางตำแหน่งข้าหลวงท่านมีพี่น้องเจ็ดคนท่านเป็นลูกคนสุดท้องแต่งงานแล้วก็ไปอยู่บ้านพ่อตาแม่ยายท่านชอบพอกับท่านบิดาของพ่อมากไปมาหาสู่เสมอท่านเป็นคนเก่งมีความรู้มากมายแต่เสียดายที่สอบเป็นฉีเหวียน ตกทุกปีท่านสนใจพระพุทธศาสนาและละทัทธิเต๋ามากวันหนึ่งท่านไปเที่ยวทะเลสาบแห่งหนึ่งไปพบศาลเจ้าเก่าๆมีสภาพทรุดโทมมากเข้าไปในศาลก็เห็นรูปเทพเจ้ากวนอิมยืนตากฝนเปียกอยู่ท่านจึงรีบหยิบเงินในกระเป๋าของท่านซึ่งมีอยู่สิบตำรึงถวายท่านเจ้าอาวาสให้ซ่อมแซมให้ดีด้วย ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าเงินเพียงเท่านี้ไม่เพียงพอที่จะซ่อมแซมได้หมดท่านจึงหยิบผ้าที่เพิ่งซื้อมาสี่พับกับเสื้อผ้าที่ติดตัวมาอีกเจ็ดชุดถวายแด่ท่านเจ้าอาวาสคนใช้ได้ค้านขึ้นว่าเสื้อผ้าเหล่านี้ล้วนเพิ่งทํามาใหม่ๆแล้วท่านจะใช้อะไรมาแทนเล่าท่านบอกว่าช่างเถอะ ขอให้เทพเจ้ากวนอิมไม่ต้องตากแดดตากฝนก็พอใจแล้วเราไม่มีเสื้อผ้าใส่จะเป็นไรไปท่านเจ้าอาวาสได้ฟังแล้วประทับใจมากร้องไห้พางพูดว่าของที่ให้มานั้นหาไม่ยากดอกแต่น้ำใจเช่นนี้สิจะหาได้จากที่ไหนครั้นซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว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 Thank you.